พระธรรมเทศนาแผ่นที่91าดลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเอาอัฐธิธาตุไปลอยน้ำไปวัดป่าบ้านตาดที่4กว่านะลูกหลานนะ ตีสกว่าก็เข้าไปบ้านตานไปถึงเั้นก็6โมงเกือบ 6, 6โมงครึ่งเกือบ7โมงพอเสร็จแล้วก็ไปบินทบาทพอบินทบาตเสร็จแล้วก็ทาพิธีคารวะ อ, องค์หลวงตาที่ศาล า, าถวาย พ, าพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นเครื่องสักการะทำวัดองคหลวงตาเพราะตามไม่จริงหลวงตาที่ท่านายงทรงถาสขันอยู่เราก็ไป คณะสัตยาญาณโฉมสิทธญาณุสิทธ์ทั้งหลายก็เข้าไปในวันเกิดของท่านน่ะไปถวายเคารพสักการะไปทำวัดท่านมหาเทเรปรมาเทนะแต่เมื่อลงตาจุติเนรพาญไปแล้วก็สิทธยาณุสิทธ์ควรจะเข้าไปกราบคลวะท่านมวานเลหล้มคอก็เลยพาคณะสัตยาญาณโฉมคงจะไม่มากเมื่อวานดูๆแล้วก็ เพราะเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ได้ประกาศล่วงหน้าก่อนแต่หลวงพ่อเขาเอาเท่าที่มีนั่นแหะก็มากอยู่ทําวัดคารวะรูปเหมือนหลวงตาที่ซาลาใหญ่แล้วก็ไปวางพวงพุ่มดอกไม้ที่พระราสทานเพลิงศรีระสังขารขององค์หลวงตาเนี่ยพุ่มหนึ่งแล้วก็ไปวางาพวงดอกพุ่มดอกไม้ ที่กุติของหลวงตาที่มีรูปเหมือนที่ห้องหลวงตาจุดตินิรพานไปทําครวะมหาเท เ, เรประมาเทนะนั้นจุดหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาศาลาที่องค์หลวงตาฉันจังหันที่ศาลาข้างในนะขึ้นไปชาลาบนที่พักสิริละสังขารขององค์หลวงตาเนะี่ยไปวางพุ่มดอกไม้อีกพุ่มหนึ่งรวมแล้วเป็นสี่พุ่ม ดอกไม้จากนั้นก็ได้จึงได้เดินทางกลับมาออกจากบ้านตัดกัเกือบเที่ยงเมื่อวานนี่ยพอมาถึงวัดก็รู้สึกโอ้เหนื่อยเต็มทนลูกหลานเ น, นี่ยเมื่อวานเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะจึงขออาภัยกับลูกหลานที่มาแล้วเอ้ทาไมหลวงพ่อไม่ได้ตอนรับขับสู่มันเหนื่อยนะลูกหลานนะมันเดินทางมาไม่เหมือนตะเก่าหลวงพ่ออายุ72ปีแลลูกหลานลูกหลานนะ ไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มใช้ถาดใช้ขันมานานแล้วจะทำยังไงล่ะมันต้องพักผ่อนบ้างแต่วันนี้ไม่เป็นไรหรอกปุ่งในเช้าคงได้เจอกันได้พบลูกพบหลานแล้วก็พร้อมกันให้ของขวัญอย่างดีเลยนี่นะอ อ, ออกม า, มาเมื่อออกมาเมื่อวานนี่ยหมัดหมัดให ม, ดม่ๆได้เล ย, เ, ย เ, เรื่องจิตภาวนาเอาไปศึกษานะ เป็นธรรมเทศนาของหลวงตาถือเป็นแบบฉบับได้เลยนะตั้งแต่เริ่มแรกทํำยังไงภาวนาอย่างไงกําหนดอย่างไรแล้วก็จากี่ยวกับพิจรารณาอย่างไร อ, อยู่ในนี้หม ด, นมนนดนะห น, ดนังสือเล่มนี้หนังสือถือเป็นตําราได้นะให้ถือเป็นตําราได้เลยหนังสือเล่มนี้แล้วก็พร้อมกันเมื่อวาน เ, เมื่อวานหลวงพ่อไปถึงวัดป่าบัานตาศก็มีคณะท่านผู้วาราชการจังหวัด ท่านมทบ24คือรองผู้การทหารฝ่ายบ้านเมืองอแล้วเขากอา็ออกบัวชัวว่าอย่างนี้เขาเขาบ อ, อกบัวชัวใช่ไหมสำหรับพิพิธภัณฑ์ขององ์หลวงตามหาบัวนะแต่ขาวนี้เข า, เขาคงจะประกาศว่าคงจะออกแบบแปลนจะคข่าวก่อนก็คงจะมีปัญหาอะไรอยู่แต่เมื่อวานะท่านผู้ว่าประกาศ แล้วกมทบประกาศแต่หลวงพ่อเขาบอกเอ้ยเรื่องสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อสุดใจนะหลวงพ่อบอกถ้านหงพ่อสุดใจเพราะาท่านเป็นเจ้าอาวาสเพราะหลวงตาก็มอบพินัยกรรมให้หลวงพ่อสุดใจเป็น เ, เป็นทายาทหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการเรื่องดําเนินการว่ า, าจะตุปปัจจัยที่ได้มา ในงานชลีละสังขารของท่านให้หลวงพ่อเป็นผู้จัดการในพินัยกรรมลูกหลานคงจะได้อ่านบางคนนะแต่ถหลวงพ่อก็จัดการจุดนั้นแล้วแต่เรื่องเอบ้านตาดนะวัดป่าบ้านตานก็เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อจุใจใครจะเป็นใหญ่กว่าหลวงพ่อจุใจคงไม่ได้เดี๋ยวนี้ถ้าหลวงพ่อจุใจปฏิเสธองค์เดียวเท่านั้นนะเพราะถ้าเป็นเจ้าอาวาสนะเอแต่นี่หลวงพ่อก็บอกว่านี่แนะ่ละหลวงพ่อจุใจเป็นเจ้าอาวาส แต่หลวงพ่อจุใจว่าสร้างแต่ทราบว่าหลวงพ่อจุใจท่านก็มอบถวายทุนกระหมอ่อมฟ้าหญิงให้เป็นผู้่วินิจฉัยอีกพระ อ, องค์หนึ่งกับท่านจุใจหลวงพ่อพูดเมื่อวานแต่หลวงพ่อก็อกย้ําอีกว่าเดี๋ยวนี้เงินทั้งหมดที่คนหมดแล้จากต่างกลั่มต่างวาระเพื่อจะสร้างเจดีย์แล้วเ พ, พประ ก, กาศตั้งแต่นู้นแล้ตั้งแต่ ทุนกระหม่อมวางชี่ละเลิกข่าวนั้ น, น่ะบอกว่าเราจะสร้างพระเจดีย์ถวายองค์หลวงตาพิพิธภัณฑ์จ้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์สุดแท้แต่ใครจะเรียกน ะ, นะสุดแท้แต่ใครจะเรียกนู่นและจะเสร็จแล้วนั่นะจึงจะรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่นี่ก็พอเสร็จแล้วก็รับบริจาคนะทั้งบัญชีของทุนกระหม่อมด้วยทั้งบัญชีของวัดป่าบ้านตาด้วยนะ เดียวนี้เงินที่วัดป่าบ้านตาดของบัญชีวัดป่าบ้านตาดเดี๋ยวนี้เกือบคงจะถึงห้าร้อยล้านแล้วนะเมื่อกี้นี่ว่ะสี่รอก้าสบดล้านนะแต่วันนั้นวันนี้นะคงจะถึงแล้วพรุ่วานก็คงจะมีคนทาบุญเยอะอยู่แต่ละครั้งนะแต่หลวงพ่อก็ไม่กล้าที่จะฟันธงให้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าล่อมล่อเต็มทนแต่สำหรับกลุ่มของเรากลุ่มนาคาน้อยของเราเนะี่ย วันวางศิ้นละเลิกของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงหลวงพ่อกระประกาศถ้าใครได้ฟัง MP3 แผนที่ 52-53 ช่วงนั้นแหละพวกเราคงจะอ่านคงจะได้ฟังว่าหลวงพ่อรับในกลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มวัดป่านาคาน้อยของเราหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาหรือคณะสัตยา ญ, ญาติโยมในกลุ่มของเราเนี่ยพวกหลวงพ่อจะเป็นหัวหน้ารับในเมื่อสร้างลงมือสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ลงที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อจะรับ50ล้านบาทหลวงพ่อก็รับอย่างนั้นอีกนะหลวงพ่อยังยืนยันอยู่นะ เ, เดี๋ยวนี้วันนี้ก็ยังยืนยันอยู่ในเมื่อลงสร้างเมื่อไหรหลวงพ่อก็พร้อมที่จะาหาทุนสมทบเข้าไปแต่บางคนหลวงพ่อก็บอกว่ า, าลูกศิษย์ลูกหาบางคนพระบางองค์อ า, อาจจะอโอ๊ยหลวงพ่ออินเปิดบัญชีเพื่อดูดเงินจากลูกศิษย์ลูกหา องคหลวงตาคนอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้บางคนมนคนขี้พูดใช่ไหมมันมันไม่มีเรื่องจะพูดก็เอาเรื่องพูดหลวงพ่อก็บอกว่าเอาเถอะเพื่อไม่ให้เสียเปรียบกันตั้งแต่หลวงปู่บุมีเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ลีก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินหลวงพ่อจุดใจหลวงพ่อวันชัยหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่ออะไรที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตา เ, เปิดบัญชีทุกบัญชีเลยเพื่อสร้างเจดียรเอาคนละ50บล้าน50บล้านกันแล้วกัน เพื่อไม่ให้เสียเปรียบกันใช่ไหมล่ะหลวงพ่ออินก็ห้าสิบล้านหลวงปู่บุญมีก็ห้าสิบล้านหลวงปู่ลีก็ห้าสิบล้านใช่ไหมเออก็นยี่สิบองค์ท่านเองไปหาเงินห้าสิบล้านเป็ภาษาอะไรใช่ไหมยี่สิบองค์ก็ได้พันล้านใช่ไต่พอได้พันล้านเอาไปเมื่อต้องหาจากลูกศิษย์ลูกค้าเอาจากลูกศิษย์นี่แหละเออเปิดใช่เปิดบัญชีเพื่อไม่ให้เสียเปรียบกันฮ ะ, ะ, ะพานนะร า, ห า, า, ห า, า, านะาาหนนะลวงพ่ออินเปิดแล้วเนี่ยกลัวลูกศิษย์หลวงพ่ออินจะได้เปรียบนะ คนอาจจะสลังไหลมาใส่ลงบัญชีของหลวงพ่ออินนะอถ้าคิดแต่อย่างนั้นหลวงพ่อว่างโง่มากถ้าใครคิดอย่างนั้นนะทําไมจะมางโง่ก่อนที่เขาจะทําบุญนะเขาคิดแล้วคิดอีกสอบแล้วสอบอีกบัญชีนี่มาอย่างไงไปอย่างไงน่าเชื่อถือไหมเนี่ยน่าเชื่อถือไหมเขายังค่อยทําเพราะฉะนั้นถึงหลวงพ่อจะเปิดกเนะ็เถอะนะก็ยังขาดตกปกพ่องอยู่แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้หนักใจที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะ อันนี้พูดให้คณะสัตทาญาติชมได้ฟังถ้านได้สร้างเจดีขึ้นมาพิ พ, ธพิธภัณฑ์ขึ้นมาหรือว่าสร้างอะไรขึ้นมาที่วัดป่าบ้านตาที่หลวงพ่อเห็นด้วยนะหลวงพ่อก็จะร่วมอนุโมทนาทาบุญเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตานะอนุคุบามาอ่านให้ฟังได้เมื่อวานในหลวงพ่อมีแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพูดยืนยัน และกับท่านผู้การพูดยืนยันแต่บวชัวเนี่ยท่านไม่ได้อ่านนะวันนี้อ่านอ่านโดยสิอ่านโบชัวให้คณะทายาทโจงฟังเนาะอ่านเถนะเสียงนะเอาอ่านกราบขอโอกาสอ่านโบชัวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหลวงตาพระมหาบุญยนสัมปโนูความเป็นมาดังที่ทุกท่านทราบดีแล้วว่าองค์หลวงตามหาบุญยนสัมปนูเป็นใคร พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยาณสัมปโ น, โนเป็นพระเถระสายปฏิบัติชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของประเทศไทยที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทั่วทั้งประเทศให้ความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสอนและขวัดปฏิบัติการดำรงตนในสมณเพศด้วยว่าท่านเป็นผู้ที่เมตตาธรรมสูงเผยแผ่ธรรมะแก่สังคมอย่างกว้างขวางและมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือประเทศไทยในคราวประสบวิกฤตเศรษฐกิจแม้กระทั่งเมื่อท่านละสังขารลงไปแล้วท่านก็ยังเป็นเนื้อดาบุญให้แก่สรรพสัตต์อย่างหาที่สุดไมิได้และท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเรียกว่าชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของเราบอกตรงๆเลยนะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอายะมณติมาชาติ เรียกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถิดานิปุณณะพวต่อไปนี้จะไม่เกิดที่ไหนอีกต่อไปละไม่เกิดไม่ตายนั่นละท่านว่านิพพานเที่ยงเที่ยงอยู่ที่ใจรู้ประจักษ์อยู่ที่ใจพออยู่ที่ใจทุกอย่างเรียกว่าเกิดมาในชาตินี้ ต, ตักตวงเอาให้เต็มที่ประโยชน์เพื่อโลกเราก็ขวนขวายเต็มกาลัง เวลาประโยชน์ของเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครอยู่ในป่าอยู่ในเขาตลอดออกมาสู่โลกก็ช่วยโลกตลอดอย่างนี้ละ่ะด้วยเพราะเหตุนี้เองเหล่าคณะสิทธิ์มีความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาเคารพรักในองค์หลวงตามหาบัวญาสัมปันโนและเมื่อทราบข่าวว่าคณะผู้ออกแบบคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยลักอัครราชกุมารี หรือที่เราทราบกันดีว่าเจ้าฟ้าหญิงท่านทรงเป็นพุทธามกะที่ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงดํานดเนินพระจริวัตดตามหลักคุณธรรมและทรงประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามาโดยตลอดพระองค์ทรงเป็นประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบุญญาสัมปันโน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรทรงเป็นผู้ดำเนินการออกแบบร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยายลัยศิลปากรวัตถุประสงค์การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบุญญาสัมปนโนให้เป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะคาสอน ขององค์หลวงตาพระมหาบุยญาสัมปันโนเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเป็นอนุสรสถานที่เก็บรวบรวมประวัติหนังสือคำสอนและเครื่องอัถบริการขององค์หลวงตาเพื่อเตือนใจให้เยาวชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคารวาดให้รำลึกถึงคุณูปการของท่านทั้งในทางโลกและในทางธรรมและถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ในการทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไปสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์อยากจะร่วมอนุโมทนาในการสร้างท่านสามารถร่วมอนุโมทนาได้ที่ชื่อบัญชีร่วมสร้างเจดีถวายหลวงตามหาบัวยานสัมปโนโดยพระอาจารย์สุดใจทันตมโนบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 110-2-333-44-4 ธนาคารไทยพาณิศสาขาเซ็นท่านภาซ่าอุดรธานีเลขที่บัญชี 859-223576-1 ธนาคารกรุงเทพสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 284-7 ขีดส8มแปขีด8ธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี401ขีด3ขีด13 8 64ขีด6และธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดน้องบัวเลขที่บัญชี426ขีด0ขีด35 998ขีดสาม อันนี้คือเมื่อวานเขาแจกบัวัวที่วัดป่าบ้านตาดนะหลวงพ่อก็ได้รับมากระมาแจกให้คณะัดทายาติโยมที่ได้ให้รับรู้รับทราบร่วมกันเพราะองค์หลวงตามหาบัวไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกๆท่านพวันนั้นให้พวกเราได้ฟังแล้วก็ เรามีจิตศรัทธายังไงก็ศึกษาเรื่องในบัญชีที่เราจะร่วมสมทบ เ, เพราะว่าลงตามีคุณโอปการต่อประเทศชาติของเราในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจปี39มสเ 4, 0, ี่ 1, เูนย์ทีหนึ่งช่วงนั้นบ้านเมืองของเราก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นผ่านมาอย่างไง เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะรัฐบาลดําเนินกิจการผิดพลาดนะหลวงตาก็เหตุว่าประเทศจะล่มจมต่อหน้าต่อ ต, อตาท่านทั้งที่ท่านก็เป็นพระแก่อายุมากแล้วท่านก็โดดกระโจนออกมาพาลูกพาหลานภัคาพาคณะสัตยาญาติโยมหาทองคําเพื่ออุดเพื่อเอาเข้าคลังหลวงเพื่อให้คลังหลวงมั่นคง ท่านก็ได้ออกมาตั้งหลายปีในสองสปีได้ทองคําทั้งหมด13ตันกว่าแล้วกว่าดอลล่าร์สิล้านกว่าดอลล่าร์ถ้าเป็นคิดเป็นเงินไทยเดี๋ยวนี้ก็คงจะเป็นหมื่นหมล้านเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในคลังหลวงเป็นสมบัติของหลวงไม่ใช่สมบัติของพนึ่งผู้ใดเพราะนั้นถือว่าองค์หลวงตาเป็นผู้มีคุณอุปการต่อประเทศชาติ ยาแามบ้านเมืองวิกฤตในเศรษฐกิจยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวท่านก็ไม่นิ่งดูดายท่านมีเมตตาทั้งที่ท่านอายุป่าเข้าไปตั้งแปดสิบกว่าปีแล้วท่านก็ออกมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละอันนี้ก็คือท่านทําทประโยชน์ให้กับโลกแล้วก็พร้อมกันเมื่อท่านจุดตินิรพานไปแล้วนะพวกเราที่อยู่เบื้องหลงังควรจะทําอะไร ที่เป็นเครื่องเคารพสักการะในองค์ท่านาควรจะสร้างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสี่แ่ง เ, เพราะว่าท่านประกาศที่แล้วในในหนังสือเล่มนี้นะในบัวซัวนะ่ยท่านก็บอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนะอันนี้คือำคําประกาศของพระอรหรัทนท่าชประกาศอย่างนี้นะทางความไม่มาเกิดนะคือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นดวงตาท่านประกาศาในตัวของท่านเองท่านรู้ แก่ใจของท่านเองที่ท่านจะไม่มาเกิดเพราะต่อสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านก็เคยปรารูปเปลืองนี้มามากต่อมากหลายครั้งต่อหลายหนเมธีแก้วสมควรสร้างพระเจดีหลวงปู่ล่าควรสร้างพระเจดีหลวงปู่ขาวควรสร้างเจดีหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ต่างๆถ้าก็ไล่ไปหลวงปู่พรมท่านก็พูดนะท่านก็ย้ําเองว่า ไม่ใช่ว่าพระตายที่ไหนก็กบเขียดตายที่ไหนก็จะไปสร้างเจดีย์มันไม่ใช่นะเออคำว่าสร้างพระเจดีย์สัทวุปนเจดีย์คือผู้บริสุทธิ์คือพระหัน์ออในจัดเทวดาถู ป, ปรารหะบุคคลสี่สท่านคือพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้ า, พ ร, จ า, พ, จาพระหันตสาวกพระเจ้าจากักรพรรดิที่ท่านระบุไปนั้นก็คือท่านมั่นใจว่าคือพระหันเนี่ย สมควรที่จะสร้างสถูปละเอียดีไว้ในทางสีแป้งแต่สําหรับตัวท่านเองเอ้ยสาหรับเราไปตองนะยังามายุ่ง อ, อันนี้คือคล้ายๆกับว่าในเมื่อท่านพูดไปแล้วท่านก็บริสิทธิ์ถ้าท่านบอกพูดไปแล้วท่านก็บอกเอ้เอในเมื่อเราตายไปนะ่ะอลวงรับไปแล้วต า, ตายไปแน่นะให้สร้างเจดีย์ของเราให้ใหญ่ๆเนอะใหญ่กว่าทุกองนะะถ้าหลงตาพูดอย่างนั้นขึ้นมาแนละ้ว พวกเราจะมีความเห็นอย่างไงมีความคิดอย่างไงนี่ลงตาวิ ญ, ญานะอย่ามายุ่งกับเรานะเออเรื่องของเราเออเราเรื่อ ง, องเราไ ม, ไม่ใช่เรื่องใหญ่อันนี้ก็เป็นหน้าที่สิทธิอนุสิทธิ์เออผู้มีชติผู้มีปัญญาแต่พอผู้โง่ก็คงระลึกไม่ได้นะถ้าผู้มีมีชติผู้มีปัญญาแล้วก็ควรจะนึกได้ว่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยสมควรยิ่งที่จะสร้างสตูกเจดีขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเคารพสักการะ ให้เหมาะสมให้ถูกต้องให้เป็นธรรมแต่ก็ไม่ใช่ว่ารู้หลาโอ้อาทำให้คนคนใดใครเดือดร้อนนะออพร้อมพร้อมพร้อมกัน ห, หลายๆายคนมีศรัทธาจะเดือดร้อนได้อย่างไงใช่ไหมขนาดยังไม่ได้ก่อสร้างนะก็ยังรวบรวมกันได้เงินถึง500ร้ล้านหาได้ที่ไหนมีไ้ยในประเทศไทยนะี่ยไม่มีนะไม่มีหรอกในประเทศไทยแต่เมื่อลงมือสร้างเมื่อไหร่ หลวงพ่อก็มั่นใจว่าจะตุปัจจัยต้องไหลทะลักเข้ามาในจุดที่เราจะช่วยกันหลอ่อหลอมน้ําใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สร้างพระเจดีย์ถวายองค์หลวงตาเพื่อเป็นเครื่องเคารพสักการะนะแล้วผมพ่อไม่ได้พูดเรื่องเจดีย์มานานแล้วนะการัดสัตยาธิโธมลูกหลานแต่คราวนี้เมื่อไปเข้าไปเมื่อวานนี้ก็ไปเห็นเหตุการณ์ทางผู้ว่ฐฐาราชการจังหวัดฤกษ์าสาย สายสไลด์ในสาลาใหญ่หลวงพ่อก็ได้เห็นสายสลาประมาณโอ้หลายรอบเหมือนกันนะแล้วก็แจกบัวซัวแล้วก็ท่านผู้ว่าประกาศแ่านมทบรประกาศอีกนะในเสียงประกาศก่อนถ้าฟังดูในในนั้นขเขาคงจะคงจะประกาศเป็นเป็นละลอกรละลอกอีกมั้งในห้พวกเราฟัง แต่ตามไม่จริงการสร้างพระเจดีก็ดีเหมือนกับสร้างาก็สร้างใจของตนเองนั่นแหละนะ เ, เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจนะออพอในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลมีไหมมเีเขาประกาศสร้างพระเจดีในศาสนาของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนะี่ยอย่างพระมหาพระพุทธเจ้ากัสจปะนะ ในพัตตกับ พ, พระพุทธเจ้ากัตตาปะในพัตตกับนี้มีพระพุทธเจ้าหพระองค์นะกากุสันโธ โ, โกณัคมโนกัจโปโคตโมอริยเมตยโยนอริยะเมตยโ ย, ตยโคือพระศรีอา น, นยังไม่มาตรัสนะยังคอยอยู่องค์ต่อไปองค์ที่ห้านะพระโคตโมคือพระโคตมะพุทธเจ้าของเราพระกัจโปเนี่ยคือองค์ก่อนองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเรา เมื่อพันปริณีพานแล้วก็ศรัทธา ญ, ญาติโยงก็มาประชุมการหารือกันอย่างที่หลวงพ่อเคยได้พูดคนหนึ่งเอาเอาใหญ่คนหนึ่งเอาเล็กคนหนึ่งเอาสูงเอาต่ํำมาคัดค้านกันเออพวกหลวงพอ่อผู้ใดก็าตามคัดค้านไว้เ น, ะ, นะเกิดพบหน้าชาติหน้าให้ระวังก็แล้วกั น, น่ะเออถ้าว่าเจตนาดีก็ไม่เป็นไรถ้าเจตนาไม่ดีนเอขาก็เจตนาดีเหมือนกันน่ะ คนหนึ่งว่าควรจะเอาสูงเอาใหญ่เพราะก็มองเห็นเห็นเห็นได้ว่าจะเสร็จได้ เ, เงินเขาเศรษฐีเนี่ยใช่ไหมเศรษฐีเขาก็ต้องทําใหญ่ได้ให้ใหญ่เลยแล้วเงินเขามีอยู่แต่ว่าขี้ทุกเนี่ยที่แต่เนียโอ้อยไปทำใหญ่เถอะทาใหญ่ขึ้นมารักษายากทำเล็กเลกก็ก็ได้เตี้ยเตี้ยก็ได้เพราะรักษาง่ายใครจะเป็นคนรักษาต่อไปภายภาคหนาถ้าทําเสร็จขึ้นมาแล้วก็ทิ้งๆิ ง, งคว่างควางไม่มีใครรักษา ใช่ตัวเองทํำตัวเองมีเงินแต่ต่อไปแล้วคนจะมีเงินเหมือนตัวเองไหมล่ะเออทําเล็กๆก็ได้ไม่ต้องทำใหญ่หรอกเออเนื้สชูเอาหลงมติกันเลมันเป็นสองฝ่ายนะใช่ไหมละ่ะแต่วงหลวงพวกเราคิดดูจะว่าคนจนกับคนรวยอันไหนมากกว่ากันในประเทศไท ย, ยมันคนจนมันมากกว่าคนรวยแน่คนรวยไ ม, ม่มีไม่กี่คนใช่ไหมเออเสียงกันต้องน้อยกว่า เสียงคนคนคนรวยให้สร้างใหญ่ๆก็เลยตกไปนะเสียงคนสนับสนุนคนที่จนเนี่ยเอ้ยใช่ล่ะที่ไม่ต้องทําใหญ่เราทําเล็กๆก็ได้หรอกเพื่อจะให้เสร็จง่ายๆได้กลับถ้าสร้างใหญ่นะั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเงินก็ไม่รู้จะออกมาจากไหนอีกเอาเล็กๆอย่างนี้แหละทําให้เสร็จเร็วนะอ้าวก็เลืองลงมติกันก็เลยเอาแบบแปลนมาแบบเล็กๆอที่เป็นหัวหน้าเพื่อนบาป บาปกรรมตามสนองเลนี่เกิดมาพบไดชาติใดทั้งที่เขาสูงเนาะเกิดมาเพียงเอวคนนั้นละบานเนี่ยพออเ น, นสงบาปกรรมตัวเองย่นย่อพระเจดีของพระพุทธเจ้ากัจจปะให้ต่ำให้เตี้ยนะเกิดมาพบไดชาติใดก็เตี้ยตลอดเลยนแต่หลวงพ่อมันก็ถ้าจะคิดอย่างหลวงพ่อก็ไม่เอาแล้ววะให้สูงตามบ้านตามเมืองก็ดีกว่านะ อแต่จะทำํำไงได้แต่คนที่เตี้ยหมดแล้วจะทำํำไงตัวเองเตี้ยแล้วใช่ไหมก็เตี้ยก็ยกดีนี่นยแหละเวลาเข้าป่าไม่ได้ก้มคอลงแยงไม่ได้ต้มหัวลงยากมุดไปได้เอยไปง่ายๆจะว่ายอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะแต่ว่าเสียเปรียกจะเวลาลงน้ำขนาดน่ะลงน้ำนะถ้าเขาเดินไปตัวเองได้ว่ายแล้วเหมือนกันโดนน้ําน้ําท่มหัวตัวเองใช่ไหมลนะ่ะตัวเตี้ยใช่เอมแต่ลงพ่อนี่ไม่เอาหรอกเอาตามหมูตามเพื่อนนะเขาเกิดมา ถ้าเป็นฝรั่งกใ็ให้ใหญ่เหมือนฝรั่งใช่ไหมถ้าเมื่อเกิดมาเป็นคนไทยก็ให้อยู่ในมาตรฐานของคนไทยฮชเนี่แหละอันนี้พวกลูกหลานทั้งหลายนะการที่จะไปคัดค้านอะไรขึ้นมาไม่มีปีไม่มีขุยกิจเจตนาไม่ดีต้องคิดดูด้วยเหตุผลนะแต่คนสมัยนั้นก็คิดว่าดีแล้วตัวเองว่าคิดดีแล้วนะแต่เมื่คิดดู ม, มันมันเป็นการตัดทอนนะตัดทอนพระบารมีของพระพุทธเจ้าจะทําให้ทุก ตัวเองเกิดมาพบใดชาติใดกระามเตี้ยตลอดมาเลยอันนี้พือภกคุลทะพัิยะนะให้พวกเราไปศึกษาดูนี่อันนี้แหละคือถ้าว่าเร า, เาจะทำสิ่งไหนก็ตาม เ, าเราต้องคิดดูดูให้ดีการสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลมีไหมในคะรั้งพุทธกาลมีอย่างในคะรั้งพุทธเจ้ า, ามีเศรษฐีคนหนึ่ง ผลในสุดมาเกิดมาพบในชาตินี้ในชาตินั้นกับทะเลาะ ก, กันกับเมียเป็นช่างทองนะเขามาขอทองทองเพื่อจะไปคงจะทํากีบบัวถวายเป็นพุทธบูชาของพระพุทธเจ้ากษัตระนะิเนี่ยเขคงจะทำทำพระอบหลายๆพระอบนะั่นทําพระอบหลายๆพระอบคงจะเป็นช่องเป็นช่องคงจะทํพระ้าร้อยหรือพ5 0 0้าร้ เออหรือว่าสองหมื่นลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่มันขาดอยู่เห็มันขาดพระอบอยู่พระหรหันท่านก็เลยเอไปหาช่างทองคนไหนนาะที่ตีทองเนี่ยที่ทำพระอบนะเนี่ยก็เลยไปหาร้านทองร้านหนึ่งนะอยู่ในเมืองนะ่ะท่านเป็นพระหรหันไะด้เข้าไปเออโยมเออนี่พระอบพระพุทธเจ้ากนะัจปานี่ยยังขาดอยู่นะ ถ้าโยมจะเอาสักพระโอบไหมเอเพื่อจะให้เป็นบูชาเอพระโอบของพระพุทธเจ้าก็จะปะได้บุญนะโ ย, ยมนะุโยมเนาะไอ้เด้ถ้าช่างทองกับแม่บ้านเน่ยทะเลาะกันเดี๋ยววนะันไดอทะเลาะกันมหมดัดหมัดกันกไปทะเลาะกันในครอบครัวนะเนี่ยพอพระละหันเข้าไปบอกเท่านั้นแะ่ะเพราะว่าไอ้ควันยกออกหูกับแม่แม่บ้านอยู่ทนะั้งนั้นทะเลาะกันกับแม่บ้านเนี่ยนะ เออบอกเฮ้ยทาไมหายยุ่งกับเรื่องกระดูกพระพุทธเจ้าอะไรยุ่งเหยิงวนวายไม่รู้จักจบจักสิ้นเอาไปลอยน้ํำเ่ยเป็นจบจบไปจ้ะนี่มหายุ่งอะไรกับชาวบ้านเออทั้งพลหันองค์นั้นท่านท่านเห็นท่านได้ยินท่านก็ยิ้มยิ้มออกจากบ้านมายิ้มเฉยเออท่านก็ไม่โกรธเออจากนั้นท่านก็เดินออกไปพอเดินออกไปไอ พ่อบ้านช่างทองนี่ยครับทางแม่บ้านก็บอกว่าเฮ้ยเจ้ามันทําไมพูดหยาบถึงขนาดนั้นเออจะเอากระดูกพระพุทธเจ้าไปลอยน้ําคิดได้ยังไงพูดได้ยังไงเราทะเลาะกันในครอบครัวเลยเออเราจะไปอารวาสถึงพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเจ้าเด้อโทษเจ้าเอ้ยเออเดี๋ยวนรกเอากินหัวเจ้าอีกต่างหากเลยเจ้าไปพูดได้ยังไง พอเมียเตือนเท่านั้นแหละจำนึกได้โอ้ใช่ข่าเลยเกินไปใช่แล้ววะเอทั้งที่โกรธกันในครอบครัวผิดกันในครอบครัวไปอาละวาดถึงพระพุทธเจ้ายังเอา ก, กระดูกพระพุทธเจ้าไปลอยน้ําทิ้งอีกต่างหากแต่เนี้นก็เลยจำนึกได้อ๋อไม่ได้แล้ต้องเอาต้องทําพระอกให้สวยองค์หนึ่งเนละก็เลยเขาเป็นช่างทองอยู่แล้วใช่ไหมตีพระอบทองดอกบัวสวยงามแบบ เขามีลูกอยู่สองคนลูกชายทั้งสองคนนะเนี่ยทีนี้ก็พอตีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยชวนชวนลูกชายคนโตนะลูกๆปะพ่อจะเอาพาพระอบอดอกพระอบทองคำเนะี่ยไปถวายพระเถระที่ท่านมาขอแผ่วันนั้นนะอ่ะเพื่อจะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปะไปกับพ่อเดินนะลูกทั้งลูกชายโอ้ ผมไม่กล้าไปหรอกพ่อโขดอะไรก็ไม่รู้วันนั้นอายเขาอายท่านเออไปแล้วจะไปเอาหน้าไว้ที่ไหนด่าท่านจนพอแรงจะเอาู ก, กระดูกพระพุทธเจ้าไปลอยน้ํำออผมไม่ไปหรอกพ่อไม่ไปผู้พ่อเขไม่รู้จะทําะไรก็เลยชวนลูกคนเล็กทช่ไหไปไอ้นุ่มไอ้นุ่มน้อยๆหนูปะไปกับพ่อท่านลูกนะไอ้เด็กมันยังไม่ไม่รู้จักอายใช่ไหมละ่ะไอ้พบ ลูกชายคนโตมันรู้จักอายเลยได้พ่อไปด่าพระใช่ไหมลูกคนเล็กเลยก็เอาไปไปกร้ครขับพ่อน่ก็เลยชวนลูกชายคนเล็กไปพอไปก็เลยเอาพระอบทองคำไปถวายท่านนะไปถวายพระอรหันต์ที่ท่านมาบอกกล่าวน่บอกมาบอกบุญนั่นแหละมาบอกบุญมาแจ้งข่าวนะ <c oughs> ก็เลยถวายท่านท่านก็เลยเอาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตอนนี้นั่นะท่านก็ เกิดมาพบนั้นชาตินั้นถ้านก็ตายลงมาเลยแต่เนี่ยไปสู่สวรรค์พอม า, าชาติชาติสุดท้ายที่นี่ชาตินี้่เป็นชาติสุดท้ายที่มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าโคตมะของเราเนี่ยในกรุงสา ว, วัตถีนี่ยพอเกิดขึ้นมาเขาก็นะไปเกิดในลูกเศรษฐีไม่มีพ่อทีเนี่ยเขาก็เอาไปลอยน้ําอีกเลยบาปกรรมเท่านั้นอนะ่ะเอาไปลอยน้ําเอาไปใส่ตะการ้าเลยกั ปล่อยลงไปในน้ําเลยเหมือนกับในน้ําเจ้าพยาเศรษฐีเกิดจุเมืองนครสวรรค์ลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะพอเกิดมาแล้วก็ใส่ตะกาแล้วก็ปิดเป็นเด็กมันก็เอา เ, เด็กกลางทางให้ผู้หญิงได้ลูกแล้วไม่ต้องการลูกอย่างงั้นแหล อ, อแต่นี้นก็ปล่อยมาเลยเแต่แลก็มาลอยไปคนหนึ่งเขาไปเห็นโ อ, อ, อ้ไปเห็นเด็ก อ, อ ตะ ก, ก้าเป็นของชั้นเด็กน้อยลงไปอาบน้ำปลวกหญิงสาวนะคนหนึงว่าเอาของในตะ ก, ก้าเป็นของชั้นพอเด็กก็ไหว้ไปไปเอามาที่ไหนได้อยู่ในตะ ก, ก้าเน่ยเป็นเด็กน้อยไงอยู่ข้างนอกเป็นเป็นตะ ก, ก้าเน่ยเออเป็นกล้วยไมไป้ประดับเสสวยงามอะไรเงี้ยนะแต่ข้างในเป็นเด็กเออฉะนั้นก็เลยคนที่บอกว่าคนในของในตะ ก, ก้าเป็นของชั้นก็เลยเอาเด็กมาเลี้ยง พอเลี้ยงเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็เด็กที่มีปัญญา่เะเด็กคนนี้นพอมันมันมาใช้กรรมใช้บาปกรรมที่ตัวเองว่ากระดูกพร ะ, พ, ระพุทธเจ้ากัสะป่าะมาหายุ่งเหยิงวุ่นวายอะไร เ, เอาไปลอยน้ำํำสิเนี่ยแหละพูดเพียงคําพูดคําเดียวนะวาจาไม่ดีนะตัวเองก็เลยเออไปลอยน้ําม่รู้กี่พบกี่ชาติน่นะแต่ชาตินี้เป็นชาติหนึ่งอพอเสร็จแล้วก็มาเกิด เป็นหนุ่มเป็นเด็กขึ้นมาผลที่สุดกน็นันได้เป็นเศรษฐีพอไปสร้างบ้านขึ้นมาไปขุดลงไปไปเจ อ, เ อ, อทองคาขึ้นมาในหลังบ้านเขาก็เลยตั้งให้เป็นเศรษฐีในในชาติในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราแต่นี้พอต่อมาอีกต่อเนื่ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งสองผัวเมีย น, นั่นก็มีลูกมาเกิด ด, ด้วยนะสองคน น, น่ะ ลูกชายมาเกิดอีสองคนด้วยกันก็มีพ่อแม่กับลูกชายสองคนในเหมือนกระชาตินั้นแหละเอนงั้นเะเออทีนี้ก็พอได้ฟังทางระเทศนาของพระพุทธเจ้าเกิดความเคารพนับถือเรื่มใสโอ้ลูกเอ่อยังไงยังไงพ่อเนี่ยจะบวชนะเออทางแม่โอ้ยถ้าเจ้าบวชฉันก็บวชเหมือนกันนะฉันจะเป็นภิกษุณีเอ่อฉันพระอยางเออผมเอาจากนั้นอ่ะผมอ่ะผมก็จะเป็นบวชเป็นพระนั้นนะลูกนะเอาเถอะนะ มีสมบัติเลยมีภูเขาทองเกิดอยู่ในหลังบ้านของเราตั้งแต่เมื่อเริ่มสร้างขึ้นมาเนี่ยภูเขาทองเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยพ่อจะได้เป็นเศรษฐีเพราะว่ามันมีภูเขาทองเกิดพ่อปุณของพ่อเองนะ่ยไม่รู้บุงเกิดชาติใ ด, ดละ่ะเอาเทอาบัตรในภูเขาทองลูกนี้เนะ่ยเป็นสมบัติของไข่เป็นสมบัติของพี่แล้วเป็นของน้องก็ไม่ทราบเลยสองพี่น้องนะ่นะ พ่อไ่อยามอบให้เลนะพ่อจะนี้ไปบวชแล้วนะนะทางลูกชายกับมาพร้อมนากันเลยเอา้าพ่อจะให้เสียงทายใครๆว่าจอบติดเพชรนู้นนะั่นให้มันแข็งเลยให้ขุดดูสิถ้าว่าใครขุดได้ก็เป็นเป็นสมบัติของคนนั้นเอาพี่ชายขุดดูสิตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะลูกนะข้าวขอให้ข้าวไปเจ้าถ้าเป็นเป็นสมบัติของข้าวไปเจ้าข้าวไปเจ้าจะได้ครอบครอง จะได้แทนพ่อเป็นเศรษฐีแทนพ่อเนะี่ยขอให้ข้าพเจ้าขุดทองคาเนี่ยให้ให้มันอ่อนกับเหมือนดินเหนียวพอให้ด้ามจอบซะนั่นแหลลูกชายคนโตนกะ็ขุดลงไปแล้ววาไงสับลงไปนะในในภูเขาทอง ท, อที่มันมุดอยู่ในดินนยสายแต่ปังกระเด็นเลยวางั้นเออ ะ, อะจอบกระเด็นเลยวะนะันออกไป ทางผู้พ่อโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สมบัติของลูกชายคนโตเอาหนู เ, เล็กเอาทดทดลองด้วยิตั้งเจตนานมอน์ก่อนนาลูกนะครับไอ้ น, นี่จะจับมาสายตับลงไปเหมือนกับขุดดินเหนียวเลยเหนียวตุ้ยเลยเออมันขุดเข้าไปทางผู้พอ่อโอ้อันนี้สมบัติอันนี้ไม่ใช่ของของพี่ชายนะเป็นของน้องชายแต่ถึงยังไงก็เตือนนะ พ่อกับแม่จะได้บวชแล้วขอให้น้องชายถึงจะเป็นสมบัติของน้องชายก็ต้องให้ดูพี่ชายเนอะอยู่ด้วยกันเนะน้องนะลูกนะเดีย๋ยวพ่อจะ ไ, ไปบวชลวนะจากนั้นท่านก็ได้ไปบวชทั้งสองตายายสองสามีภรรยาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันนะในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานะแล้วกันลูกชายท่านก็เป็นผู้ครอบครองสมบัติภูเขาทองนะเป็นผู้ดูแลพี่ชายเนะนี่ยนแะ นิทานหรือว่าเรื่องราวอย่างนี้พวกเราไปอ่านในพระไตรปิฎกมีนะลูกหลานนะอยู่ในธรรมปัททะตกถานะในพระไตรปิฎกมีนะเพราะฉะนั้นการสร้างพระเจดีย์มีไหมการสร้างสถูปพระเจดีย์มีไหมในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยความเป็นมาท้าววันหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้ลูกคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้ฟังลูกหลานก็คงจะกลิ่นใจเหมือนกันมีไหมปฏิปทา ของพระพุทธเจ้าปฏิปทาในพระพุทธศาสนาปฏิปทาที่สร้างสถุภและเจดีย์เพื่อบูชาพระคุณของพระอระหันต์ถูประรหับุคคลสี่มีไหมนี่แหละกัมีแนวทางเป็นมาในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลอยู่นะเพราะฉะนั้นการสร้างสตุภะและเจดีย์บูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาท่านก็ประกาศจะเล่นนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเนี่ย อะมันติมาชาตินัตติดานิปุณพภาวนะเนีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนะจบแล้วก็คือท่านประกาศพระรหันในตัวของท่านเองเนะี่ยทางว่าไม่โง่เกินไปเอ๊ะท่านพูดยังไงเข้า่าท่านจะมาไม่มาเกิดมีแต่พระรหันท่านไม่มาเกิดแต่เป็นปุตุชนเกิดวันอย่างค่ำนะลูกหลานนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทางว่าใครไม่อยากจะมาเกิดชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ มันมีเชื้ออยู่มันจะมาเกิดนะถ้ามันหมดใจหมดเชื้อ <c oughs> กิเลสมันหมดเชื้อแล้วไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วนะจะไม่มาเกิดถ้าว่าจิตใจถึงจะไม่อยากมาเกิดขนาดไหนกว่าเธอนะแต่ยังมีกิเลสอยู่เกิดวันยังคำ่ำเพราะฉนั้นองค์หลวงตาท่านประกาศว่าชาติอยะมันติมาชาตินติดานิปุณภะโวนะ ชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพโนะวันเดือน6กเพนนะ์อันนี้ท่านเนี่ยเป็นคําตรัสและคําพูดของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว น, ะนี่นะขอให้พวกเรลูกหลานทั้งหลายได้ฟังฟังศึกษานะ ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากหลากหลายหลายอย่างให้กับพวกเราลูกหลานทั้งหลายเพื่อเป็นการได้ฟังฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้นะออควรจะเรียนรู้ผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังเสียงเหตุผลฟังอัดฟังธรรมจิตใจของเราจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการฟังสุสังรั ะ, ะเตะปัญญาผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาอสุดตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ขวนทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้น มีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วกันกรองไตรตองด้วยเหตุและผลก็จะรู้จริงเห็นจริงดูก่อนสาริบุตรที่ตถาคตพูดไปนี่เธอเชื่อไหมยังไม่เชื่อพระพุทแต่เจ้าข่าพระสงฆ์ทั้งหลายก็ฮือหากัน โอ้โหภาษาริบุตรหัวแข็งหัวดือ้อหัวล้านจริงๆขนาดพระพุทธเจ้าตรัสพูดคาออกมาได้ยังไม่เชื่อกระทั่งพระพุทธเจ้าโอ้ภาษาริบุตร ท, ท่านองค์ตนจริงๆพระพุทธองค์บอกว่าสงฆ์ทั้งหลายฟังเดี๋ยวเราจะเราจะถามอีกทําไมชาริบุตรจึงไม่เชื่อที่เราตรัสถกพูดไปเนี่เพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปกันกลองยังไม่ได้นําไปปฏิบัติ ในเมื่อข้าพระองค์นำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรข้าพระพุทองค์จะมากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข้าออฟังเอานะสงทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายได้ยินเราพูดออกไปนะีอย่าเพิ่งเชื่อนำไปกันกรองไตรตรองด้วยเหตุผลชะก่อนในเมื่อมีเหตุผลแล้วนั่นแหละจึงค่อยเชื่อให้ยึดแนวแถวสารีบุตรเป็นตัวอย่าง วันนั้นหลวงพ่อพูดไปทั้งหมดหลวงลูกหลานจะ่าพึงเชื่อนะเอาไปคิดไปกันกองไต่ตรงด้วยเหตุและผลที่ดีซะก่อนจะเชื่อ จ, จึงค่อยเชื่อเออถ้ามีเหตุผลแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใช่นะมเ <c oughs> พราะมีเหตุผลลงจุดนั้นแล้วนะ <c oughs> หลับพ่อดี๋ยวนี้นะ